ต้องเคยฟังให่หน่อนวันนี้มีบรวนพระที่ผ่านมามีงานหลายงานงานที่อยู่ก็คืองานคนตายเรื่องงานศพจะกำลังชนลมุนวุ่นวายเสียงด่าเว่งานที่สองวันนี้มีงานบท ว่เาเกั น, นปวดท้อปวดเบาหวห่อยหน่อยอย่นี่นแต่การวางก็เจอต้นายวันนี้เราจะเห็นว่าเห็นทั้งมีทั้งคนเป็นคนตายนะคนตายขามีใครว่าคนตายเราเป็นางา น, นช่วยช่วยกันดูแต่วเวาสนใจแล้ว เา็นงานศพไปแค่ให้เจ้าภาพเป็นหน้าว่าร่วมมาแล้วมันแสดงความเสียใจมาความเห็นใจมาอะไรก็แล้วแต่ก็แค่นั้นนะได้แค่นั้นไม่ได้ดูต่อ ว, ว่าความตายมันน่าสลดสังเวชหรือได้อะไรจากความตายไม่มีนั้น เมื่อรู้ว่าความตายมันไม่มีก็คือมันมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวอีกนานกว่าจะตายก็เลยไม่คิดถึงตนเองนี่คือความประมาทดังนัคุณจะว่าบุคคลใดก็ตามทาให้นึกถึงความตายเป็นประจำหรือทุกเมื่อบอกคนั้นชื่อคนประมาท คนประมาทท่านเปรียบออเหมือนกับคนที่ตายแล้วเพราะคนที่ตายแล้วไม่มีสติไม่มีสติสัมยาอะไรไม่มีสติปัญญาใดๆเลยท่านใบท่านฟืนมีแต่จะปูน่าฟังทุดท้านเขาก็เอาไปกําจัดเพราะฉะนั้นการเผาการฝังถ้าพูดง่ายๆภาษาเราก็คือก็เหมือนกับการกําจัดขยะนั่นเอง ถ้าปล่อยไว้มันก็จะเน่าจะเสียแต่เราถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าเป็นอื่นๆที่มันกินไม่ได้มมก็ออกไปฝังให้ทานั้นงมูหมากาะไรจะกินกันไม่ได้นีโลกก็คือออกไปฝังเอาพุ่มง่ายๆหยาบๆอย่างเนี้เพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันเมื่อนั้นมนุษย์เราอยู่จะมีค่าก็ต้อเมื่อยังมีลมาหายใจ ยังหายใจได้ยังสมบูรณ์แบบแต่ว่าในขณะที่ตัวเองยังหายใจได้แต่มเต็มเป็นมาสะดวกสบายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ค่อยได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้ะเคยเปรียบเทียบเธยเสมออยู่กับโลกมานานเราไม่ได้นึกถึงธรรมบางที่สําคัญคก็ไม่ค่อยได้ฝึกไม่่อยได้นอนไม่ได้นึกในสิ่งเหล่านี้ เมื่อไม่ฝึกไม่นักสิ่งนั น, นี้อย่างนีพ้พระาจารยบอกว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีหลักอะไรเลยแต่ไม่มีหลักอะไรเล ย, ล ก, ลเลยกับปรับเปรียบเทียบยำยาบง่ายๆกับมันก็พัวกคอยถ้าไม่เอาเชือกมาผูกไว้มันก็ไปเลยไปแต่ถ้าเอาเชือกมาผูกด้วยกับหลักอย่างน้อยมันก็อยูย ว, วงเวียนอยู่นี้มันมีกรอบที่จะให้อยู่ ให้คิดให้พูดให้ให้ได้ให้กินอยู่ตรงนั้นมนุษย์ของเราก็เหมือนกันถ้า ม, มีกฎกติกาของสังคมจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกฎหมายจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบเช่นบริษัททางร้านราชการก็มีกฎกติการะียรจะต้องปฏิบัติถ้า ม, มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์จะอยู่อย่างไรเป็นคนที่ไร้ระเบียบไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากอะไรก็ทําไปตามอําเภอใจ ซึ่ง ม, มันไม่มีที่ไหนประเทศไทยไม่มีอำเภอใจจังหวัดไหนก็ไม่มีแต่ไม่รู้ว่าเราทําอย่างไรทําได้อย่างไรเราทาตา ม, ตามอำเภอใจอนนเป็นคำพูดที่เราเติดปาเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายใช้ชีวิตก็ขอให้มีหลักมีเกณฑ์หีอดหลักคิดหลักใจจะพูดก็ให้มีหลักจะคิดให้มีหลักจะกระทาอะไรก็ขอให้มีหลัก หลักที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนพูะเจ้ า, าจตัสเอาไว้แล้วในเรื่องของการศึกษาเพื่อ น, นําปสู่การปฏิบัติศึกษาอะไรก็ศึกษาอะไรศึกษาตัวเราเองนั่นก็คือศึกษากายศึกษาวาจาก็คือศินอะไรทั้งวดูาดสินก็ประจํานี่ก็มันก็รับไปแล้วอันนี้คือหลักทําไมต้องรักษา ธรรมะจะปฏิบัติเพราะว่ามนุษย์เดือดร้อนเพราะกายวาจาเดือดร้อนจะทำคนอื่นเดือดรอ้อนมันกี่ยตัวเองตัวเองมันเดือดรอ้อนไปแล้วแต่พอทำกอื่นเดือดร้อนไปด้วยคือกายกับวาจาของแต่ละเราแต่ละคนสนใจในทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้นอกจากตัวเราเองมันสี่กาบรสากายวาจาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ แม้วันนี้แต่คนที่ไม่เคยฝึกว่าเคยหัดในวันนี้เป็นวันพระนะเป็นวันที่ประเสริฐเป็เ ว, วันที่เลิศเป็นวันที่ดีแต่เราไม่รักษาควาสมสงบของกายของมจรคมันแตกต่างกันคนที่รับการฝึกแล้วจากครูอาจารย์จากการได้ยินได้ฟังก็อย่างดีก็อย่างรู้จักหลักคือ ห, หลักคิดหลักพูดหลักทำที่เรียกว่ามีหลัก แต่ถ้าไม่มีหลัลกเราก็แยกไม่ออกอะไรเป็นวัดอัไรเป็นบ้านเห็นไหมพวกเราในฐานะแต่คนเข้าวัดคนวัดก็ต้องตั้งใจไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่าไปกระทาสิ่งเหล่านี้เพราะมันสอนแสดงไหมว่าศรัทธาวัดไหนเจ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวไมสั่งส อ, น น, อนนี่แค่เรื่องเสียงเรื่องเดียวเป็นเรื่องใหญ่สวมาธิ ใจใจมั่นคงหนักนั่นไม่หวั่นไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่มากระทบนะอะไรนีดนหน่อยไม่ได้ปล่อยออกไปแล้วหลุดไปแล้วความใจไม่ไมีสันติปัญญานี่เป็นเรื่องหนักครับพี่เราไม่เคยใช้สิ่งเหล่านี้ยกขึ้นมาพิจารณาเลยปัญญาจะมาจากไหนเพระนั้นท่านยังบอกว่าศีลเป็นบ่อกเกิดเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ เพราะว่าศีลพละกายวาจาเราบริสุทธิ์แล้วทําให้จิตของเราเป็นสมาธิได้ง่ายตรงข้ามถ้ากายวาจาไม่สงบเป็นสมาธิได้ยากไม่อจิเป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นบอกเกของปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดแล้วสุดท้ายปลายทางของปัญญาจริงต้องการให้ใจนะรู้จักคำว่าโอ๊ยมดคือพน้นะ ถ้าเจ็จะไม่มีวิมุตตคือไม่หลุดไม่พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีทางเลยเส้นทางนี้จะไม่มีทางวัาทางนี้คือทางที่พระพุทธเจ้าของเราชี้ให้พวกเราเดินเรียก ว, ว่าทางสายหลักอน่างชีวิตส่วนเส้นทางเอืน่นตอบตอบเลยมันเป็นทางเล็กๆทางนิดๆหน่อยๆเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางหลักนสะักอันนี้คนที่เดินตูกทาง สำหรับคนที่เดินไม่ถูกทางจริงเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยหนักเข้าไปอีกนี่นคนหลงป่าคนหลงทางถ้าเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจําวันบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงทางมันต้องถามว่าเราทุกวันนี้เส็นสมาธิปัญญาครบไหมทำนี้เขาก็คือคนหลงทางไม่นอนชัดเจนไม่คนหลงทาง มึงก็บอกกันแล้วรหาทางไม่เจอไปนั้นอย่าลืมศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มันเกิดวิมุตต์นะวิมุตต์ก็คือผลของการปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาท่าหลายผู้แต่ับบทวิมุตติมันบอ ก, บอกคนาผลนะถ้ า, าจะฟังบอกเราไม่เข้าใจไม่ชัดเจนถ้ายัางไม่เข้าใจให้ทักถึงลผลละไมผลละไม ก็ ค, คือเกิดจากต้นไม้แต่มาเป็นผลของมันเราพูดถึงผลมนุษย์ต้องการตรงนี้แล้วก็เสพ บ, บริโภคผลคือผลไม้หลากหลายสายพันธุ์แต่ว่ามันง่ายอยากกินอะไรไปซื้อเอาที่ตลาดเดี๋ยวก็ได้กิ น, นผลไม้แต่ว่าผลของสมาธิปัญญา วิตามิอันนี้ไม่มีซื้อที่ไหนซื้อไม่ได้หาไม่ได้เพราะฉะนั้นผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากต้นไม้เราเล่ประเด็นนักจะมีใครสักกี่คนที่ซื้อผลมไม้เข้ามาบริโภคแล้วมันอ ร, อร่อยอร่อยแล้วนึกเพียงแค่นึกในใจว่าเออถ้าเราเอามาปลูกมันคงผลิดดอกออกผล สมาธิบริโภคได้ในอนาคตเราเคยมีความคิดอย่างนี้ไหม ย, ยากหรือน้อยคนเพราะเราคิดว่าอยากกินเมื่อไหร่ซื้อเอาง่ายกว่าแต่พอเอินว่าผลของสมาธิปัญญานะมันไม่มีซื้อไม่มีขายมันจึงลำบากอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเอง ะนั้นผลมันบอกชัดเจนอยู่แล้วมันมาจากอะไรมาจากก้าเล็กๆที่เพาะบ่มล้วก็ต้องรดน้ำวนดึงจนเจริญเติบโตจนผลิตออกผลใช่ะยะเวลาไม่ใช่ในน้อยกว่าจะออกมาเป็นผลได้คือกินได้ดได บ, บริโภคได้เพราะฉะนั้นสะินธุติปัญญานยก็เช่นเดียวกันกว่าจะพี่ดอกออกผลได้เราเคยบารุงดูแล ร, ร, ร, รักษาไหม ศินมั่นคงไหมรักษาชัดเจนแน่นอนไหมในชีวิตประจําวันสมาธิมั่นคงไม่หวั่นไหวใส่สัญญาอารมณ์ที่มากระทบไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า น, นี้เบื้องต้นเมือ่อศินก็หมาครบสมาธิก็หมาหนักนั่นสติปัญญาจะมาจากไหนมิสติปัญญาไม่เกิดแล้ววิมุต ม, มันจะมาจากไหนวิมุตคือการละทอนปล่อยวาง เื่อจะมาให้ผลอันนี้เพื่อจะให้ต้นไม้ตัวนี้เกิดอีกไม่มีทางแต่ผลอันนี้ถ้าไม่มีใครกินมันหลุดมันหล่นออกมามันก็ไปเกิดอีกก็เกิดเป็นคนอีกเหมือนกันคนเราในของมันก็ตายตอนนี้ตอนนี้เอาไปเผาแล้วแต่ตายแล้วมันคือคนนะมันคือร่างกายเนี่ยใจมันไม่เคยตายมันหล่นแล้วตอนนี้แต่ก็ยังได้เกิดอีกเกิดเป็นอะไร ถ้าผลมันเก็บไม่ดีเป็นพันุ์ที่ไม่ดียิ่งไปตกในทางที่มีดีดินที่มีดีหรือเกิดมาแล้วไม่รับการดูแลรักษาต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่สามารถจะเติบโตสมบูรณ์ได้นะมนุษย์หรือคนเรานะัก็เหมือนกันเมื่อจิตออกจากร่างแล้วที่จะเกิดใหม่ไอ้ตัวที่มันเก็บไว้ในเมล็ด พอผลไม้เรากินมันเหลือเมล็ดตรงนั้นมันมีทุกอย่างรากเงาใบดอกทุกอย่างมันเก็บเอาไว้ในเมล็ดะเหมือนกันความดีความโชคความมันทั้งหลายอยู่มันก็เก็บเอาไว้ในใจเมล็ดก็คือใจมาเก็บเอาไว้ในใจสุดท้ายมันเกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดแน่นอน่แต่มันหล่นอยู่เนี้ยมันเกิดแน้นอนตามมีเชื้ออยู่นั้นมันเกิดแน่นอน เกิดุราต้องลมันละหวังไปนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่ทำได้ต้นไม้รดน้ำต้นดี่ใส่ปุ๋ยทำได้ให้มันเจริญ ง, งามเติบโตขึ้นสมบูรณ์แบบเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าต้นน้ยต้นไหนผลไม้ตระหนันอร่อยมันก็ขายดีใครใครเขาต้องการเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมีสิน สมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์โดยว่พาะคือวีมดตัวสุดท้ายก็ปเป็นที่ต้องการความขอเราทัา้งหลายไม่มีใครที่ไม่ต้องการไม่มีใครที่ปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้แต่จะมีใครสักกี่คนเมื่อไปรู้ไปเห็นเข้าใกล้ได้ยินได้ฟังได้เห็นปฏิปทาเข้าวปฏิบัติแล้วโอปนะนิโกคือน้อมเข้ามาเอามาปลูกในกายในวาจาในใจของตนเองน้อย ก็ได้แต่ไปชินชมบารมีคนนั้นโอหน้าตาปองยกขี้ยะอาการนาา่าศรัทธาไปนูน่นไม่ได้เกิดกับตัวเองคือไม่ประโยชน์อะไรก็ตามที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเองเหมือนก็ไปเห็นผลไม้ก็จะไปภาลนาาโอ้รูปรางนาตาสุนทสศีสันสวยงามว่าได้แต่ภาลนาโดยที่เราไม่หยิบเอามาดื่มเอามากินและมันจะเป็นประโยชน์ต่อ ร, ร่างกายได้อย่างไร นั้นธรรมะที่เราเห็นที่จักวาจารเห็นแล้วรู้แล้วไม่นำมาปฏิบัติคือไม่นำมากินมันก็ไม่ไปเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราเห็นทุกอย่างสามารถที่จะมองให้มันเป็นธรรมะต้องจาว่ามองให้เป็นธรรมะเมื่อมองเป็นธรรมะเมื่อธรรมะมันเกิดแล้วมันเป็นกลางใจมันเป็นกลาง มันไม่ยึดไม่ถือในสิ่งนั้นจนมากเกินไปเรียกว่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นจิตที่มันไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันต้อ ง, ต, องต้องพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นก็บอกไปแล้วว่ามันมดุดคือมันพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานพ้นจากอาวิชชาคือพ้นจากเมื่อก่อนมันไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจ ก็กลับมาเป็นรู้เป็นเข้าใจจากเมื่อก่อนเข้าใจยากดีก็เข้าใจง่ายขึ้นนะี่คือเข้าใจชีวิตตัวเองง่ายเมื่อก่อนไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยก็รู้ชัดเจนมากขึ้นเป็นเบื้องต้นก็อย่างดีนะนี่ในวันเริ่มเริ่มพ้นแล้วนี่คืออวิชาตัญหา ที่เราลำบากอย่นก็เพราะว่าอย่างนี้พุทธเจ้าสอนอายะจัตตสิก็เน้นเรื่องตัณหาให้เข้าใจว่ามันเป็นต้นตอมันเป็นสาเหตุนะมันเป็นต้นตอมันไม่ใช่ผลมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลความมนุษย์มันมีตัหากเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็ยึดมันเถอเอาสิ่งเหล่านี้แล้วอปาทานไม่สามารถธิละถอนปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้ได้ มันก็ยึดมันก็ถือเอาเอาหมดที่มันยึดมันถือเพราะมีคำสองคำคือเรากับเขาทำไมของเราขอของเขาสุดท้ายยึดเอาหมดของเราก็ยึดของเขากอยึดคือจิตมันยึดมันถือเอาว่าเป็นของเราเป็นของเขาลูกของเราเมียของเราสมบัติของเรารถของเราบ้านของเราทั้งงนี้ก่อนหน้านั้นไม่ใช่เลยมันไม่ได้มากับตัวเราเลย มาตัวเปลา่ามือเปลา่ามาเจอทีหอท่หลังมาพบทีท่หลังมาทําเอาที่หลังสุดท้ายสิ่งที่ทําที่บัตดขึ้นไม่สามารถที่จะปล่อยได้ไม่สามารถที่จะวางสิเหล่านั้นได้จิตมันก็จะหนักมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นของหนักมันไม่ไปไหนมันมีแต่จะจมนะจมลงจมลงหนักมากเท่าไหร่ยิ่จมยิ่งดิ้นไม่ออกถ้าเราไม่หยิบออกถ้าเราไม่ปล่อยออกมันก็จะยิ่งหนักไปเรื่อยๆ สุดท้ายตายเปล่าของหนักมันไปไหนถ้าลํามองง่ายๆมันไปไหนได้ไกลๆไหมคนแบกของเนี่ยกับคนเดินตัวเปล่าใครไปไกลกว่ากันมันอาจจะไปไกลได้แต่มันลําบากลาบากมากๆาคนที่จะไปข้างหน้านี่ได้คนนั้นต้องปล่อยต้องวางปล่อยมากขนาดไหน วางมากขนาดไหิงสบายยิ่งเบายิ่งเบ า, เบาตัวเบาหาว่าตัวเบาคือจิตมันเบาจิตมันเบามันก็ไปได้เร็วเหมือนกับกายเบาเพราะฉะนั้นจิตที่เบาได้จิ ต, จตที่ต้องไม่เอาก็ ค, คือปล่อยคือวางคือไม่ยึดไม่ถือจนมากเกินไปมันก็จะกายเป็นความหนักเราะนั้นถ้า ร, ารู้หลักการอย่างนี้แล้วเราจะเชื่อว่าผู้คนผู้นั้น เป็นคนนี้หลักหลักในการคิดถ้าเราคิดเป็นอย่างนี้ไม่ลําบากวาเวลาพูดเราพูดเป็นมันก็ไม่ลําบากนําประสู่การปฏิบัติการกระทํามันก็ไม่ลําบากดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราจรึงเรียกว่ากรรมเพราะนั้นกรรมเนี่ยอย่าเป็นนักสึงใครอย่าเป็นนักสิงผู้มีวิเศษอะไรนี่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นไม่มี กรรมเกิดจากการกระทาของตัวเราเองถ้าจะแก้กรรมให้มันดีที่สุดทูกที่สุดมันต้องไปลด น, น้ดดำบาตรน้ำมนสดะเคราะสดะกรรมสดะเวรดูเมืองดูหมอไม่ต้องเลยกรรมเกิดจากการกระทําของตัวเราจะให้คนอื่นแก้ไม่ได้เราจะแก้ได้ด้วยตนเองแก้อะไรก็แก้ความคิดอ่อนเรวเอง แก้คําพูดแก่การกระทําของตัวเองในแต่ละวันคือในแตะชีวิตประจําวันนั่นคือการแก้กรรมที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่ไปให้คนอื่นเขาแก้ยิ่งแก่ยิ่งยุ่งยิ่งแก่ยิ่งเสียรุนแรงเป็นที่ทํามาหากินเป็นอาชีพประเภทหนึ่งได้เพราะฉนั้นจะไปเชื่อคนอื่นมากคนไปมากเกินไปหมายถึงว่ามากเกินกว่าที่จะเชื่อ ประพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เพราะว่าจิตเราไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้เชื่อมั่นในประพุทธไม่ได้เชื่อมั่นในพระธรรมในพระอริยสงฆ์คือไม่มีหลักเราก็พยายามหาตัวบุคคลที่มีกิเลสธรรมดาๆรรก็เหมือนกับเราเราก็มีกิเลสคนนี้ก็มีกิเลสต่างคนต่างพึ่งของที่มีกิเลสก็คือจมด้วยกันตั้งข้่ แต่ทีนี้ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั้งสอนบอกตลอดเวลาว่าเ อ, อแก้กรรมกแก่อย่างนี้นไม่ใช่ไปแก่อย่างอื่นแก้อย่างนั้นจริงแก่ยิงยุ่ ง, งนะเพราะนั้นถ้าใครอยากแก้กรรมแก่เ็นทั้งหลายแหล่ไปจะดรอกรกรรมไม่ต้องแก้ที่ตัวเราเนี่ยพฤติกรรมทั้งหลายแหล่มันก็จะดีขึ้นเองเรียกว่ากรรมดีปรากฏดีขึ้นเองอันนี้อยากฝากพวกเราทั้งหลาย เพื่อไว้เป็นหลักในการปฏิบัติถ้าเราทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเดินถูกทางแล้วนี่คือทางสายเอกคือทางสายเดียวไม่มีทางใดที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ถูกต้องตามที่พระพธเจ้าวางไปบอกไว้ชี้เอาไว้ให้เราเดิ น, นั้นถ้าเราไม่เดินก็ช่วยไม่ได้กบมารูจะทำยังไงอยากเขาป่าเขาลงเข้าโดยนะ ก็ตอบโซ่ซอยนะนี่คือทางตรงแล้วนะพีายามเดินเดินเดิน <ๆ S 1> ไปในชีวิตปัจําบันแต่เราไม่เดินก็ช่วยไม่ได้บอกว่าอาหารนี่มันอร่อยนะไม่กินนะ่ะมันก็เป็นประโยชน์อรู้แต่ว่าอร่อยรู้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์แต่ไม่กินแล้วจะไปโทษใครก็ต้องพทษตัวเราธรรมะดีที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้่นั้นแล้วเราไม่นํามาปฏิบัติแล้วมันจะมีผลต่อชีวิตจิตใจได้อย่างไรไม่มี และจะไปโทษใครไม่ได้ทั้งสิ้นต้องโทษตัวเราเองเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างเราทั้งหลายโอปณนะยโกน้อมก้ า, าตัวเองในชีวิตประจำวันมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของคนเราของมนุษย์ทุกค น, ท, กคนทุกผู้ทุกนามเปจะเชื่อว่าไม่เสียประโยชน์เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เพราะพระศาสนาเพร า, าะพระอาจารย์ได้ยินได้ฟังและได้นาปฏิบัติแต่ว่าโชคดีสุดแล้วโชคนี้ ยังมีคือยังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าโชคดีแล้วหมดลมหายใจเมื่อใดลําบากาหมดลมหายใจแล้วเหลือแต่รอผลอย่างเดียวผลขอศินสมาธิปัญญาถ้ามันไม่ดีก็ลําบากกลับมาเกิดใหม่อีกมวลไปเองมาอย่างนี้ไ อ, อ้อันนี้คือหลักในการปฏิบัติเราขอให้เราตั้งหลาย ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วโอปนาชคโก ค, คือน้องเอาสิ่งนั้นี้ไปปฏิบัติจริงๆมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อจริงเพราะอันนี้ธรรมอันนี้เป็นของกลางที่พูดทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเราปฏิบัติมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเราปฏิบัติเราก็คือเจ้าของเราฝากพวกเราทัองอ้งหลายสําหรับเช้า ว, วันนี้เพื่อเป็นอาหารใจสำหรับเป็นหลักคิดหลักพูดหลักธรรมในชีวิตประจำวันเราก็จะเจริญคือเจริญทางจิตใจ คือสติปัญญามันเจริญถ้าสติปัญญามันเจริญแล้วทุกอย่างมันเจริญหมดร่างกายเจริญจริงๆมันไม่ได้เจริญมันเสือ่อมเรียกว่าแก่ร่างกายไม่ได้เจริญเลยไม่มีการเจริญมีได้เสื่อมเสื่อมลงเสื่อมลงอยู่ท้ายก็หมดสภาพอันนี้คือร่างกายก็พวกเราก็ตระมัดระวังเช่นเดียวกันวันั้นอาจารย์ไปพระสงค์ก็จะได้อาัุตนาเข้าไปล้าหารคืออาหารกายที่เราให้กันวันนี้ คืออาหารกายเราก็ให้กันทุกวันแต่นี่นคือให้อาหารใจวันนั้นวันหนึ่งก็เป็นธรรมะอย่างนี้คือให้อาหารกายด้วยคือปอ้อนอาหารกายแล้วก็ให้อาหารใจด้วยมออยุใงไปเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันไปจะเชื่อว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่มีทางจะสมบูรณ์ก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายทั้งราชชา ว, วันนี้จะนี้ไปประสงค์จะได้อานุโมทนากัอบอาหารที่เรานทำมานในวันนี้ อย่าลืมอุทิศเฉพาะเจาะจงความดีที่เราทําในวันนี้ให้แก่บรรพบุรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดนั่นคือเจอเ้ากรรมนายเวทจริงๆของพวกเราขอให้ท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทําบําเพ็ญในวันนี้ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เกิดสติปัญญาไปสู่ภพพภูมิในทางที่ดี คนเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน์คืออนุมโมท น, นาใหม่บนสิ่งเร็จด้วยการอนุมโมท น, นา